และก็ได้สัตว่าข้อที่รู้ที่เห็นก็คือรู้เห็นว่าธรรมะอะไรควรใส่ไว้ในใจธรรมะอะไรไม่ควรใส่ไว้ในใจเมื่อรู้เมื่อเห็นดังนี้จึงจะละอาสวะได้ แต่เมื่อไม่รู้ไม่เห็นดังนี้ก็ละไม่ได้ยังได้ตรัสต่อไปถึงอาสวะทั้งหลายละได้โดยทัศนะคือเห็นเป็นข้อแรกและก็ได้ตรัสอธิบายต่อไปว่าข้อที่ว่า อาสวะทั้งหลายละได้ดูทัศนคือเห็นนั่นก็คืออย่างไรจึงได้จัดอธิบายไว้โดยความว่าบุทุชนคือบุคคลที่มีกิเลสหนาไม่ได้สดับ คือไม่ได้สะดับคำสั่งสอนของพระอริยเจ้าทั้งหลายของสัตว์บุรุษทั้งหลายจึงไม่ฉลาดรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าทั้งหลายของสัตว์บุรุษทั้งหลาย ไม่เข้าใจธรรมะของพระอริยเจ้าทั้งหลายของสัตว์รุษทั้งหลายทั้งไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายสัตว์บรุษทั้งหลายจึงได้ใส่ใจ ในธรรมะที่ไม่พึงใส่ใจแต่ไม่ใส่ใจในธรรมะที่พึงใส่ใจทั้งหลายเมื่อเป็นดังนี้อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดจึงเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญงอกงาม ส่วนอริยสาวกทั้งหลายผู้ได้สดับแล้วได้เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายได้เห็นสัตจบรุษทั้งหลายขลาดรู้เข้าใจในธรรมะของพระอริยเจ้าทั้งหลายของสัตจบรุษทั้งหลายย่อมจะใส่ใจ ในธรรมะที่โคนใส่ใจไม่ใส่ใจในธรรมะที่ไม่โครใส่ใจอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วจึงดับหายไปได้ละไปได้ส่วนอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นดังนี้เพราะฉะนั้น การตั้งใจพอใจที่จะดูจะเห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายสัตวรร์บุษทั้งหลายคือที่จะคบหาสมาคมที่จะเข้านั่งใกล้พระอริยเจ้าทั้งหลายสัตวรร์บุษทั้งหลายเพื่อที่จะได้สดับสับฟังคำสั่งสอน จึงเป็นสิ่งที่ควรทำและเมื่อฟังคำสั่งสอนก็ตั้งใจฟังให้มีความรู้ให้มีความเข้าใจอันจะนำให้รู้จักว่าธรรมะอะไรที่ควรใส่ใจธรรมะอะไรที่ไม่ควรใส่ใจพระพุทธเจ้า ยังได้ทรงแสดงถึงธรรมะที่ไม่ควรใส่ใจเอาไว้ซึ่งบุตุชนทั้งหลายในโลกนี้ยังพากันใส่ใจอยู่เป็นอันมากด้วยทรงยกเอาเรื่องของตัวเรา ในเรื่องของอัตตาของทุกทุกคนซึ่งคนทั้งปวงพากันใส่ใจและพากันสงสัยในอัตตาคือตัวตนของทุกทุกคนในอดีตบ้างในปัจจุบันบ้าง ในอนาคตบ้างทั้งนี้ก็เพราะว่าต่างมีความยึดถืออยู่ซึ่งขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการคือนามรูปหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้ว่าเป็นตัวเราของเราเพราะฉะนั้น จึงอดม่ได้ที่จะต้องใส่ใจสนใจจะต้องคิดคำนึงต้องสงสัยเคลือบแคลงต่างๆในข้อนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วทุกคนย่อมจะมีความรู้สึกเป็นเช่นนั้นต่าความคิดคำนึงทั้งปวง ความสงสัยคลื่นแคลงทั้งปวงนั้นย่อมมีกำเนิดมาจากตัวเราของเรานี้ทั้งสิ้นเรื่องอยู่กับตัวเราของเรานี้ทั้งสิ้นคือตัวเราที่ยึดถืออยู่นี้เองอันทำให้ต้องครุนคิดต้องกังวล ต้องวิตกวิจาร ต, ต่างๆเป็นไปในปัจจุบันบ้างย้อนไปข้างหลังบ้างก้าวไปข้างหน้าบ้างเป็นไปอยู่ดังนี้โดยมากเพราะฉะนั้น จึงทาให้เกิดทิฏฐิคือความเห็นอันเกี่ยวกับตัวเราของเราต่างๆแม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับตัวเราของเราหรืออย่างที่เรียกว่าอนัตตาก็ตามก็ยังกดมิได้ที่จะต้อง มีความผัวพันอยู่กับตัวเราของเราเพราะฉะนั้นรพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ทรงยกตัวอย่างของทิฏฐิคือความเห็นอันยิงอยู่กับตัวเราของเรานี้เป็นต้นว่าอัตตาคือตัวตนของเรา มีอยู่อัตตาคือตัวตนของเราไม่มีขอ้อนี้ดูน่าจะไม่ใช่เป็นความเห็นที่ตัดว่าไม่ควรใส่ใจ เพราะว่าอัตตาโตตนของเราไม่มีก็คล้ายๆกับเห็นอนัตตาแต่อันที่จริงนั้นยังไม่ใช่เห็นอนัตตาเพราะยังมีคำว่าของเรานี้ยืนเป็นหลักอยู่คำว่าของเรานี้เองยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความยึดถือ เป็นตัวยืนหลับแต่ว่าอัตราตัวตนบางอย่างที่เป็นของเราซึ่งเป็นตัวยืนนี้ไม่มีเท่านั้นแต่ว่าตัวของเรายังมีอยู่ก็คือตัวเรายังมีอยู่และแม่ ความเห็นอย่างอื่นอีกเห็นว่ารู้จักอัตตาตัวเราทางตัวเรารู้จักอัตตาคือตัวเราทางอนัตตาคือในอนัตตานั้นก็ยังมีตัวเรารู้จักอนัตตาทางตัวเรา ก็คือแม้ว่าจะพิจารณาว่าอะไรเป็นอนัตตาก็ยังพิจารณาทางตัวเราคือยังมีตัวเราอยู่และยังมีความเห็นว่ามีอัตตาคือตัวเรานี่ที่ สวยเวทนาได้สวยวิบากของกรรมดีกรรมชั่วที่ได้ทำไว้แล้วได้และอัตรา ต, ตัวเรานี้เองเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสิ่งที่ยั่งยืนดังอยู่ตลอดไปดังนี้ ก็คล้ายๆกับความเห็นของทุกๆคนที่ยังไม่มีมรณะสติยอมดำรงชีวิตอยู่คล้ายๆกับว่าไม่ต้องตายหรือคล้ายๆกับว่าชีวิตนี้ดำรงอยู่เรื่อยไปตลอดไป เหมือนไม่ตายจะทำอะไรต่างๆก็เหมือนกับไม่ต้องตายเรียกว่าอยู่กับความประมาทมักจะเป็นไปอยู่ดังนี้ก็เพราะว่าได้ใส่ใจในธรรมะที่ไม่พึงใส่ใจ แต่ว่าไม่ใส่ใจในธรรมะที่ผึงใส่ใจขวัดธรรมะในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งทั้งหลายเรื่องทั้งหลายตลอดไปจนถึงธรรมอารมณ์อารมณ์คือเรื่องราว ที่บังเกิดขึ้นในจิตใจคือที่ใจคิดที่ใจดำริที่ใจหมกมุ่นถึงล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวแก่กามเกี่ยวแก่ภ เกี่ยวแก่โมหะคือความหลงอยู่เป็นอันมากดังเช่นเรื่องที่ตรัสยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเหล่านั้นอันนำให้เกิดทิฏฐิคือความเห็นอันเกี่ยวแก่กามเกี่ยวแกพ่พบความเป็นนั่นเป็นนี่ตั้ง ต, นต้นเป็นตัวเราของเรา ูตลอดในปัจจุบันไม่พอก็ยังนึกย้อนไปข้างหลังคือในอดีตและก้าวไปข้างหน้าคือในอนาคตอีกด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นมายาที่ปกปิด ใจมีให้ได้ปัญญาหรือได้ทัศนะที่จะเห็นสัจจะคือความจริงเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้เห็น ให้คบหาสมาคมให้นั่งใกล้พระอริยเจ้าสัตว์รุษทั้งหลายเพื่อที่จะได้ฟังคำสั่งสอนอันจะนำให้เกิดปัญญาตั้งต้นแต่ ให้รู้จักว่าข้ออะไรที่ควรใส่ไว้ในใจข้ออะไรที่ไม่ควรใส่ไว้ในใจแม้ว่าจะต้องมีชีวิตยอยู่ครองเรือนต้องประกอบธุระการงานต่างๆก็ประกอบธุระการงานต่างๆไป แต่ว่าก็ต้องหาเวลามาที่จะชำระดวงตาคือปัญญาของตนโดยการสนับกนับฟังหรือว่าอ่านคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่ง ทรงเป็นพระอริยเจ้าด้วยทรงเป็นสัตรบุรมลุษด้วยซึ่งได้ทรงชี้ให้เห็นที่เป็นตัวความจริงคือตรัสสอนให้รู้จักทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์สมุทยัยสัจจะสภาพที่จริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ นิโรดสัจจะสภาพที่จริงคือนิโรดความดับทุกข์มรรคสัจจะสภาพที่จริงคือมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอธิบายอาริยสัจทั้งสี่ไว้โดยปริยายคือทางเป็นอนมากเพื่อให้ผู้ฟัง ตั้งใจพิจารณาได้เกิดปัญญารู้เห็นในทุกรู้เห็นในเหตุเกิดทุกรู้เห็นในความดับทุกรู้เห็นในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขเมื่อเป็นดังนี้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นอริยาสาวก คือเป็นผู้ฟังเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจา้าผู้เป็นพระอริยะได้ชื่อว่าได้เห็นได้พบได้สมาคมกับพระพุทธเจา้าผู้เป็นพระอริยะทําให้เป็นผู้ฉลาดรู้ในธรรมะของพระพุทธเจา้าผู้พระอริยะ ยิ่งยิ่งขึ้นไปและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะทำให้ทิฏฐิคือความเห็นที่หนานน่นอยู่ในมายาคือสิ่งที่ไม่จริง ที่ปิดบังความจริงที่ลวงตาลวงใจต่างๆให้เบาบางลงไปทำให้จิตนี้ได้ทัศ น, นคือความเห็นถูกต้องในสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงทั้งหลายมากขึ้นโดยลำดับ ตั้งตนแต่ให้รู้จักผิดชอบชั่วดีทางกรรมบทคือทางของกับที่ประกอบระทาทางกายทางวาจาทางใจตลอดจนถึงให้ได้ทัศนคือเห็นในอรยิยสัจยิ่งขึ้นไปโดยลำดับ ทัศนะในอริยสัจดังกล่าวนี้เองรวมทั้งทัศนะเห็นในสัจจะแม้ในทางกรรมบทคือกระแสะกรรมทางกรรมบาป บ, บุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ทั้งหลายย่อมเป็นเครื่องบรรเทาเป็นเครื่องละอาสวะทางหลายได้ไปโดยลำดับ การปฏิบัติในสติปัฏฐานทุกข้อทุกบทก็ชื่อว่าเป็นการที่ได้มาสนับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าภูพระอริยะได้ฉลาดรู้ในธรรมะของพระพุทธเจ้าภูพระอริยะและเมื่อปฏิบัติก็จะทำให้ได้ทัศนะคือเห็นในสัจจะที่เป็นตัวความจริงอันมี สติที่พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเหล่านี้นำให้ขัดเกล้าละอาสวะกิเลสที่น้องกิตสันดานไปโดยลำดับได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวนและตั้งใจทำความสงบสืบรรต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะ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 รอมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสํารวมกายวาจาใจให้เป็นศีลธรมสมาธิในการฝังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธ เ, ทเจ้าทรงสอนกรรมฐาน ตามนัยยะตภาสวะสังวรสูตรพระโสูตรที่ว่าด้วยความสำรวมคือระวังป้องกันอาสวะนำสติปัฏฐาน พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงบีทีละอาสวะที่จะแสดงในวันนี้นับเป็นข้อที่สองตรัสสอนให้ละอาสวะ ด้วยสังวรคือความสำรวมอินทรีย์ทั้งหกอันได้แก่จักหุตาโสตะหูคานะจมกูกชิวหาลินกายะก็กาย และมนโนคือใจตรัสไว้ว่าเมื่อไม่สมรวมอินทรีย์ทั้งหกอาสวะทั้งหลายที่เป็นเครื่องทาความขับแค้น ความเดือดร้อนก็บังเกิดขึ้นแต่เมื่อสํารวมอินทรีย์ทั้งหกอาจวะทั้งหลายที่เป็นเครื่องทำความคับแค้นทำความเดือดร้อนก็ไม่บังเกิดขึ้นและ ก็ได้ตรัสแสดงทางของการปฏิบัติด้วยทรงที่ว่าก็ให้รู้จักธรรมะที่ไม่ควรใส่ไว้ในใจกับธรรมะที่ควรใส่ไว้ในใจ เพราะว่าเมื่อไม่รู้จักก็ยอมจะใส่ธรรมะที่ไม่ควรใส่ไว้ในใจแต่ว่าธรรมะที่ควรใส่ไว้ในใจกลับไม่ใส่ใจถึงเมื่อเป็นดังนี้ อาสะวะทั้งหลายอันได้แก่อาสะวะคือกามอาสะวะคือพบอาสะวะคืออวิชชาก็ย่อมบังเกิดขึ้นส่วนภูที่รู้จักธรรมะที่ไม่ควรใส่ไว้ในใจรู้จักธรรมะที่ควรใส่ไว้ในใจ และเมื่อรู้จักดังนี้ก็ไม่ใส่ธรรมะที่ไม่ควรใส่ไว้ในใจใส่แต่ธรรมะที่ควรใส่ไว้ในใจเท่านั้นอาสวะทั้งหลายจึงไม่บังเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ ต้องอาศัยทิฏฐิคือความเห็นเมื่อมีความเห็นผิดก็ย่อมจะไม่รู้จักว่าธรรมะอะไรที่ควรที่ไม่ควรใส่ไว้ในใจธรรมะอะไรที่ควรใส่ไว้ในใจความเห็นผิดนี้จึงเป็น เหมือนลูกสอนที่เสียบแทงลูกจัที่เสียบแทงใจเป็นสัญญาต์คือเครื่องผูกใจเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกปัญญาให้รู้จัก ว่าธรรมะอะไรที่ควรใส่ไว้ในใจธรรมะอะไรที่ไม่ควรใส่ไว้ในใจเมื่อได้ปัญญารู้จักดังนี้ก็ยอมจะแก้ความเห็นผิดได้เพราะปัญญาดังกล่าวย่อมเป็นตัวความเห็นถูกหรือเป็นเหตุให้เกิด ความเห็นถูกฉะนั้นการัติบัติฝึกปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญและทางที่จะทำให้เขาปัญญา ก็คือความที่ขาดสติรักษาทวารทั้งหกหรือรักษาอินทรีย์ทั้งหกดังที่กล่าวมาจึง ท, ทำให้มังเกิดความไม่สารวม